พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากระโดดหน้ากระโดดหลังวันนี้เป็นวันที่23 กรกดาคมพุทธศักราช 2,559 วันนี้เป็นวันเสาร์ออกมาฉันข้างนอกขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพึงเข้าพรรษามาเมื่อวันที่20อธิษฐานพรรษาวันอาสารหบูชา ว, วันที่19เราเข้าพรรษามาไม่กี่วันเพราะนั้นพวกรายพวกผู้ใด ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรเอาไว้ใหม่ๆข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันลืมบ้างหรือเปล่าเนี่ยว่ า, าลื ม, พ อ, มนนพอนอนตอนหัวค่าเลยลืมไหว้พระอีกุ่งนี้เช้ า, เาต้องเอาบ่านสองนะต้องทำวันเก็นด้วยทำวัดเช้าด้วยถ้าวถ้าลืมทั้งเช้าทั้งเย็นวันนี้ ตอนเย็นวันวันนี้แหละให้ทำวัดสี่ครั้งไม่เป็นไรไปเพราะเราลืมนะ อ, อย่าให้ขาดตกบกพ่องนี่แหละถ้าเราลืมสิยงไหนก็ตามลืมล้าแล้วแล้วไปเนะี่ยแปลว่าไม่จริงจังและไม่จริงใจขาดศัจจะนะ์เพราะนั้นศัจจ์คำนี้ถ้าเมื่อตั้งขึ้นลงไปแล้วต้องให้จริงจังและจริงใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะ ประกอบคุณงามความดีเกิดมาได้เกิดมาพบพุทธศาสานาการเกิดมาของพวกเราพวกเรานึกย้อนหลังดยสิถึงจะไปนึกย้อนหลังก็เห็นคนเกิดลูกหลานเหลนของเราที่เกิดมาเป็นยังไงอยู่ในท้องเป็นยังไงตั้ง 8-9 เดือนดิ่นกระดุกกระดักอยู่ในท้องพอออกมาแล้วเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นไหม หรือยอมเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นแบบเดียวกันในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเกิดก็เกิดยากมนุษย์พอเกิดขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงยากอีกต่างหากเห็นไม่วัวควายหมูหมาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วพอออกมาจากพ่องแม่แล้วมันเดินได้เลยจากนั้นมันก็กินนมแม่แล้วก็กินยาได้ปีเดียวเท่านั้นหละเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้ว มนุษย์ของเราปีเดียวเป็นยังไงตั้ง10กว่าปีจึงช่วยตนเองได้นี่แหละก็ว่ามันยากเป็นมนุษย์เลยยากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาใหญ่ได้อย่างนั้นน่ะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาขนาดไหนให้การศึกษาให้การเรียนรู้ให้ข้าวน้ําโภชนาอาหารให้ทุกอย่างสําหรับลูกเพื่อจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดี ยิ่งยุคสมัยนี้อีกต่างหากขนาดพ่อแม่จนๆก็อยากจะให้ลูกตั ว, ตวเองเรียนแต่ว่าโรงเรียนดีที่สุดเรื่องราคาไม่ว่ากันสุดส่งสุดสุดความสามารถที่จะให้ลูกตัวเองเข้าโรงเรียนที่ดีเพื่อจะให้ลูกของเรามีสติปัญญาเทียมเท่ากับลูกคนอื่นเขาไม่ใหน้ยหน้าตำตานี่แหละ สรุปแล้วก็คือการเกิดมาก็ยากการเป็นอยู่ก็ทุกข์ยากลําบากทั้งเราทั้งพ่อทั้งแม่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าชื่นท่านจึงตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโพการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐในเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐแล้วเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลาบอันเปรฐอีกมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดบ่อยไม่ใช่นะาจากนี้ไปพระ พ, พุทธศาสน า, อาของพระพุทธเจ้าของเร า, เอาลอยรวยแหลมลงไปเรื่อยๆคนก็หยาบขึ้นมาเรื่อยๆคนไม่ฟังกันเลยทีนีทิฏฐิมานะพระเนรจู็ได้ห้ำหัน่น ข่ากันเป็นยุคเป็นสมัยเพราะคนนิจใยมันหยาบนิจใจไม่ลงกันไม่ลงรอยกันมีทิฐิมานะใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่ า, าใครฉลาดใครเ็ว่าใคร เ, เป็นพุ่นมีอำนาจบุญหนักสักใหญ่ผลให้ชุกกระไห้ามหันกันนี่แหละกิเลสมันไม่ยอมกันนี่แหละอันนี้ก็คือ เดี๋ยวนี้เราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นลาบอันประเสริฐด้เราได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมอยู่ในโอวาทธรรมคาสอนรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์อันนี้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของความดีคนมีทานมีการเสียสละต่อกันอันนี้เป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีศีลคุ้มครอง การที่จะทำก่อนที่จะคิดาการที่จะคิดจะพูดการที่จะทำจะพูดอะไรออกไปก็มีศีลคุ้มครองศีลคุ้มครองเราให้เราเป็นคนดีนะาจากนั้นก่อนเรื่องสมาธิในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนทางด้านจิตใจอีกทีน่ให้มนุษย์คิดยังไงพวกเราคิดยังไงจึงจะเป็นจึงจะถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ คิดยังไงเป็นมิตรสาธิติคิดยังไงจึงจะเบียดเบียนยเบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิทำให้ตนเองและคนอื่นร่มเย็นเป็นสุขนีละอันนี้คือหลักแนวความคิดของพุทธะการแนวแนวความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาขึ้นมานนึกคิเดเดาขึ้นมา คาดกันเองการไดคาดการขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นลงทุนบำเพ็ญอยู่ในป่าหลงพงไพ่ทั้ง6ปีไปทดสอบทดลองแนวแนวความคิดแนวความรู้ของพระองค์จนได้สําเร็จาตามที่พระองค์ได้เป็นที่พอพระไทยของพระองค์จากนั้นพวกเราได้มาศึกษาที่ว่าพระพุทองค์ได้ศึกษาจุดนั้นพระองค์ทําอย่างไร พ่อวานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิทำพระไททาใจของโป่งให้สงบพอจิตใจสงบแล้วนำใจที่ผ่านความสงบนำมาพิจารณาตันกันกลองไตรตองแนวความคิดนั้นพระ อ, องค์กำมองยูแล้วว่าความทุกข์ของกายในส่วนหนึ่งความทุกข์ของใจนะั้นอันหนึ่งความทุกข์ของกายก็คือ ขาดปัจจัยสี่ขาดอาหารขาดเครื่องบริโภคขาดผ้านุ่งห่มขาดที่อยู่อาศัยขาดโรคคายาแก้โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นโรคภัยไข้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือทุกของกายแต่ทุกของใจไม่อีกเทุนะทกของใจกนะ็คือนี่แหละทุกสมุทย อคือเหตุให้ทกเกิดนทุกทกใจมันมีมากทกใจนี่ยอแต่ว่ามันมาทกใจมันมาจากไหนออท่านกขาว่าทกกายนึ่งคือรู้กับเราทุกกายมันเป็นอันนั้นแต่ทกใจเนี่ยทกใจเนี่ยก็คืออท่านมองเห็นว่าอริยสัจทกความทุกสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิด ในโลดมักก็อยู่ในอริยสัจสีอีกเหมือนกันเลยเนะ่ยทุกตัวนี้มันมาจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่ทําให้ทุกเกิดนะเมื่อเน่าเรามีสมาธิดีแล้วนะเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจของเรารวมสงบเป็นพื้นฐานแล้วนะเราจะมองเห็นได้ทุกใจของเรามันทุกทุกมาจากไหน พ่อพิจารณาล้นสมุทยัยก็เหตุให้ทุกเกิดการมัตนาคือความทะเยอทะยานในกามภวะตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้ยศถาบรรดาศักข์วัญอยากกําเนิดนะมันมากมายวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากไม่อยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายไม่อยากทุกข์ ไม่อยากพัดพรากอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกนี่แหละเพรสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดเมื่อมีความอยากขึ้นมาแล้วกความทะเยอทยานและความไม่อยากเป็นจุดนั้นอีกอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันในเมื่อมันสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดนั้จะเอาเอะไรมาแก้ทางด้าน จ, จิตใจคือเอามักมักข คือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีสัมมาส ม, มาธิอีกทําจิตใจให้นิ่งอีกเหมือนกันมันนามาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็ดูใจของเรามันไปติดไปข้องเรื่องอะไรจากนั้นก็พิจารณาการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วมันยอมรับยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะ ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่ อ, อไรกันนะเมื่อทุกเมื่อนั้นจากนั้นจิตใจก็เออปล่อยวาง น, ะนี่แหละคำว่าปล่อยวางคํานี่แหละ อ, อต้องฝึกหัดฝึกหัดพอสมควร น, นะจิตต้องผ่านความสงบนะต้องเป็นปัญญาที่แท้จริงนะะในเมื่อพิจารณาจุดนี้แล้วเมื่อปล่อยวางปล่อยวางกันนี่โรดคือความดับทุกข์นะ พอดับทุกขึ้นมาแล้วก็จิตใจก็เป็นเป็นลอยเป็นเอกเทศเอ่ามันเป็นอิสระไม่มีเครื่องพันธนาการจิตใจที่กิเลสไม่อยู่ไดไม่ไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่เข้ามาเป็นเครื่องชีนช้นาชี้แนะทั้งด้านจิตใจจิตใจเป็นอิสระนะกิเลสไม่ลสมเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาได้มาเกี่ยวข้อง อันนี้เป็นว่าใจที่เป็นใจที่เป็นอิสระใจที่โดดเด่นใจที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะท่านว่านิพพานังประมังสุนอย่างสิ่งที่มันจะมาเกี่ยวข้องพันธานาการมันสูนไปหมดแล้วนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีเครื่องพันธานาการจิตใจนั้นเป็นอิสระเป็นตัวของตัวมีตัวตัวผู้รู้เออคือ รู้จากตัวรู้อเอียกว่าความบริสุทธิ์ในจุดนั้นนี่แหละลักธรรมคำสอนของพธธูดท่าถ้าว่าพวกเราได้ศึกษามาตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องของยากยิ่งยากมากทบทวนเะสิทึกทบทวนดูถึงจะทบทวนดูตนเองไม่เห็นก็ให้ดูคนอื่นนะเปรียบเทียบกับคนอื่นเขา ที่ลูกหลานเกิดมากว่าที่จะใหญ่ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้จากนั้นเราก็ได้พบพบพุทธศาสนาอันนี้เป็นลาบอันประเสริฐเราที่ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าได้พลาดโอกาสได้เกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาและให้ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันเลวสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเกิดมาเป็นเกิดมาทั้งที ได้เข้ามาพบพระพุทธศาสนาได้มาอยู่ร่วมกันรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องฟังกันนะอย่าไปใช้จิตติมานะนะมาอยู่ด้วยกันให้ฟังให้เป็นผู้ฟังดีกว่าผู้คนพูดนะถ้าใจจะให้พูดกันนี่อย่างหลวงพ่อพูดพวกเราก็เป็นคนฟังหลวงพ่อพูดพอหลวงพ่อพูดจบแล้วก็เอาใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อไปภายภาคหน้าก็มี ให้แสดงความคิดเห็นได้อีกไม่ใช่ว่าแย่งกันพูดแย่งกันดีแย่งกันเก่งแย่งกันฉลาดผลจะถกทะเลาะกันได้ง่ายๆผลนั้นท้าวบอกผู้ใดพูดมีเหตุผลฟังกันแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่างคนก็ต่างทา ม, มาหาเลี้ยงชีพของใครของเรา ต่างคนก็ต่างประพฤติปฏิบัติธรรมของใครของเราในจิตในใจนั่นแหละผู้ที่พูดเก่งๆผู้ที่ทําเก่งๆ อ, อ, อาจจะเป็นผูุ้ชนอยู่ก็ได้ผู้ที่ไม่พูดอะไร น, ะนั่นแหละพูดได้สวยมักผลคนที่นิ่งๆนั่นแหะคนที่ไม่พูดนั่นแหละมักผลนิพพานจะเข้าไปอยู่ในกับคนคนนั้นถ้าว่าคนที่พูดพร่ำพร่ำไปเรื่อยนะั่นอเหมือนกับ อะไรเขาเรียกว่าเสียงบันดังแต่ถ้าว่าน้ำมันเต็มนะ้ำมันจะไม่มีเสียงดังกระบอกกระบอกที่มีน้าจะไม่มีเสียงดังถ้ากระบอกมันมันพองมันโ บ, ม, นโบมันดังเพราะนั้นให้พวกเราให้เป็นผู้หนักแน่นมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้พูดน้อยที่สุดเป็นผู้ฟังให้มากที่สุด ถ้าว่าเป็นผู้แย่งกันพูดแย่งกันแสดงความคิดเห็นาการทะเลาะวิวาทการเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะผู้มาปฏิบัติธรรมให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรามาภาวนาไม่ใช่มาอย่างอื่นนะมาอยู่วัดเนี่ยนะต่างคนต่างพอฉันจะหันเสรษจแล้วต่างคนต่างเข้ากติของใครของเรา เ, เ, เข้าเงียบแต่ไปอยาไปนอนนะ อย่าไปเข้าไปนอนเดินโยกลมบ้างนั่งสมาธิบ้างท่องหนังสือบ้างท่องสวดมนต์บ้างถ้ามันง่วงนะจากนั้นก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักพุทโธอย่ายึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อนะ่ยอย่าไปใช้กรรมฐานอื่นต้องเอากรรมฐานหลวงปู่มั่นซะก่อน ถึงมันจะเสียหายกระเสียงสมเดือนเท่านั้นละ่ะคงจะไม่เสียหายอะไรมากเราปล่อยจิตปล่อยใจมาเป็น10บ0ี่ปีมันไม่เห็นจะเสียหายอพอมาภาวนาสามเดือนกระโดดหน้ากระโดดหลัง เ, เดี๋ยวก็จะไปขายน้ามันเดี๋ยวจะไปขายของชำ เ, เดี๋ยวก็ไปตั้งร้านขายของอีกเดี๋ยวก็ไปทํานาเดี๋ยวก็อยากไปทําสวนยาง เดี๋ยวจะไปทําข้างในขอบโพดแล้วจะไปอยา ก, ยากจะทําลานมันกระโดดหน้ากระโดดหลังผลใสุดไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะไม่ตั้งใจเอาวันไหนต้องเอาวันนั้นนี่ก็เหมือนกันนะเราเข้ามาคราวนี้เรามาภาวนาเราจะยึดตามแนวแถวของตลวงปู่มั่นเท่านั้นเราจะยึดพุทโธเท่านั้นอย่างอื่นเอาไว้ก่อน เราจะไม่นํามาบริกรรมเพ่งนั้นเพ่งนี้กําหนดนั้นกําหนดนี้ตามที่เราได้ศึกษามานั้นเอาไว้ก่อนมันไม่เสียเวลาหรอกเพียงสมเดือนเราปล่อยป่าละเลยเร า, เ อ, าอยู่ข้างนอก เ, อเป็น 10- บ0ิบยี่สิบปีพอมาทำเรื่องนี้มันทําทให้เสียหายอย่างนั้นเหรอมันไม่น่าจะถูกเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ที่เราศึกษ า, าศึกษากับหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกให้ภาวนาะอะไร กรรมฐานภาวนาพุโทโธนะเนี่ยขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลานั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะต้องปฏิบัติตามตามที่หลวงพ่อสั่งหลวงพ่อพูดให้มีสติสัมปะชัญญาอยู่กับตัวเองถ้าผู้ใดก็ตามนะถ้ามาปฏิบัติแล้วถ้าหลวงพ่อถามด้วยแล้วเอากรรมฐานองค์นั้นเอากรรมฐานกูบาจาัน์องค์นี้มาพูดนะ หลวงพ่อจะไล่ออกจากวัดนะให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านที่ท่านแนะนําสั่งสอนมาพ่อะอะไรเพราะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นเอามาอยู่มาปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อมันผิดที่ผิดทางใช่ไหมละ่ะเพลเพลเป็นบา้าขึ้นมาหลวงพ่อจะแก้ไขได้ยังไงพ่าะอะไรพอมาอยู่กับวัดหลวงพ่อแล้วนํากรรมฐานที่อื่นมามาบริกรรม ม, มาปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้น ่ถ้าว่าอยากจะไปศึกษายัางไปไปอยู่กระวัดของท่านก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าทำไมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องฟังตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาพอลูกพ่อศึกษาวิธีการทำนาหลวงพ่อก็จะต้องสอนวิธีการทำนาให้ลูกให้หลานของหลวงพ่อทําอย่างนี้นะวิธีการทำนาปลูกอย่างนี้นะเก็บเกี่ยวอย่างนี้นะรักษาน้ำอย่างนี้นะ ก่อนที่จะทํานาถ้าเราจะไปเรียนกฎหมายเอาจะมันจะไให้เหมือนทนํานาได้อย่างไรเราไปเรียนกฎหมายก็ต้องไปซ่องบนตาสยายมาตาที่นั้นทวิที่โตนี้กฎหมายอาญากฎหมายแผงกฎหมายต่างประเทศกฎหมายาการทํามาค้าขายกันเรียนสิไปเรียนที่นูน่นมันจะเข้ากันได้เหรอแต่การได้เงินได้มาเหมือนกันถ้าเรียนกฎหมายได้เป็นพิพากษาอายการ เป็นทนายความก็ได้เงินแต่ทำนาขึ้นมาขายข้าวก็ได้เงินทำสวนยางขายยางก็ได้เงินแต่พอเงินก็คือผลของงานนี่แหละเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกทำนาผิดเป็นข้าราชการพิดทำสวนยางผิดหลวงพ่อไม่เคยว่านี้ก็เหมือนกันการภาวนาสายไหนก็ตาม หลวงพ่อไม่ได้ว่าสายนั้นผิดแต่ว่าในเมื่อเขามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยึดแนวแถวสายปฏิปทาของหลวงปู่มั่นพวกเราเข้ามาก็ต้องฝังศึกษาตามแนวแถวหลวงปู่มั่นเท่านั้นถ้าอยากจะศึกษาสายอื่นออกไปไม่ควรทํามาอยู่เพราะเรามาอยู่ผิดที่ผิดทางเสียแล้วพอมาอยู่ที่นี่เราจะไปศึกษาสายอื่นมันไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นบ้าขึ้นมาหลวงพ่อจะแก้ยังไง เพราะหลวงอมไม่ใช่สายนั้นนะเพราะมันภาวนามันเป็นไปได้ทั้งหมดแบบพิกพิกล็อกเท่านั้นเองเออพลิกล็อกนันเนี่ยทำให้เสียผู้เสียคนได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองได้ศึกษามาสายนี้หลวงพ่อมั่นใจมั่นใจในแนวแถวของของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นเพราะว่าหลวงปู่มั่นเมื่อท่านจุตินิพานไปแล้วนะ อ, อกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นได้กราบได้ไหว้ จากนั้นก็เห็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาของท่านกระดูกแต่และองค์ก็กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบหไหว้มากต่อมากไปล่วงกี่องค์เราจึงมั่นใจว่านี่ปฏิปทาหรือวแนวแถวของหลวงปู่มั่นคือสายพระอริยะสายพะระหรันพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฟังเอาไว้คํานี้นะหลวงพ่อไม่ได้ดูถูกเจ็ดยำกลุ่มอื่นสายอื่นวิธีการภาวนาอย่างอื่นหลวงพ่อเทิดทูนมดทุก กรรมฐานน่ะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านก็วางไว้กรรมฐาน40และก็มากกว่านั้นอีกต่างหากแต่เราไม่ได้ศึกษาสายนู้นแต่เราศึกษาแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิ์เดียวในสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรนี่แหละให้ยึดตามแนวแถวนี้พราเราเข้ามาศึกษาอยู่กับหลวงพ่อวัด วัดแห่งนี้สอนภาวนาพุโทโธคือสมถนะส่วนวิปัสนาท่านให้พิจรารณาอย่างไรหลวงพ่อก็เคยพูดเคยกล่าวเคยสอนเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลานนะคณ า, า, าตายาดโยมทุกคนนะที่มาอยู่วัดหลวงพ่อนะ อ, อ, อย่าไปกระโดดหน้ากระโดดหนักหลังนะ อ, อ, อย่าไปเสือกหน้าเสือกหลังเลยให้เดินตามแนวแถวสายของหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนทางว่าพวกเราเภาวนาไปแล้วไม่ได้ทานหรอก เราไม่ถูกกับจริญหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกไม่ได้ว่านะต้องอยู่กับหลวงพ่อนี่นะอถ้าคําว่าเธอไม่อยู่ท่านไม่อยอู่โยมไม่อยู่เนวัดหลวงพ่อล้างแน่หลวงพ่อไม่เคยพูดนะ เ, เป็นความสมัครใจถ้าว่าอยากจะไปออกไปเออเอาเอถ้าภาวนาแล้วไม่ได้เรื่องอย่อมถ้าว่าไม่ได้เรื่องเอาฝึกทดจองฤๅษีสามเดือน ทดลองทดสอบอยู่อย่างที่หลวงพ่ออินสอนเนี่ยเป็นยังไงมันก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนเพราะเพียงสามเดือนเท่านั้นเองเราปล่อยปลาละเลยปล่อยจิตปล่อยใจมามากต่อมากไม่เห็นไ ม, ไม่เห็นว่าคิดเสียหายอพอมาจู่ภาวนาอยู่กับหลวงพ่อเพียงสามเดือนโอ้หจะล่มจมจิบหายก็ให้มันล่มจมจิบหายดูวเซเป็นยังไงนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้ ลูกหลานพระคณะสัตยาญาณโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นให้ฟังเป็นแนวเป็นความคิดนะอลูกหลานอาจจะไม่คิดอย่างที่หลวงพ่อคิดก็ได้แต่หลวงพ่อคิดไว้ก่อนบางทีมันอาจจะไม่มีถ้ามันมีขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ลูกหลานต้องฟังไว้เลยว่าเนี่ยหลวงพ่อพูดไปแล้วนะให้พวกเราได้ศึกษาแล้วนะควรปฏิบัติตนอย่างไรนนะ ให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสรุปแล้วนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในเสนีห์น